มรู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งนะสอนหนังสือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่ากเกษียณได้หลายปีแล้วท่านเราว่าสมัยที่ไปเรียนปริญญาเอกที่ประเทศอเมริกานะอันนั้นก็ประมาณ40ปีที่แล้วมีช่วงหนึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มาติดต่อ ขอให้ไปช่วยเป็นอุปถาคผู้ดูแลพระธิบตท่านหนึ่งซึ่งทางหมหาวิทยาลัยได้นิมนต์มาเพื่อแสดงธรรมตอนนั้นเนี่ยพุทธศาสนาแบบทิเบตก็ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายในอเมริกาเหมือนอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้นี่ถ้าเราไปห้องสมุดหรือไปร้านหนังสือในอเมริกานี่ เรียกว่าแทบทุกร้านเลยก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาปฏิเบฎเด่นกว่าพุทธศาสนาแนวอื่นเพราะว่าทลายลํมะก็ดีหรือว่าอาจารย์ที่เบฎหลายๆท่านก็ไปเผยแผ่ศาสนาจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับคนดังหรือว่าดารา ชาวเมริการหลายคนเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ทายลล ม, มะอย่างเชลิชาัดเกียร์เนี่ยแล้วที่ไม่เป็นที่รู้จักก็ยังมีอีกมากปัญญาชนจำนวนมากในมหาเทรก็สดสนใจการฝึกสมาธิแบบที่เบตแต่เมื่อ40ิปีที่แล้วนี่คนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ ที่รร ม, มาอุทัยก็นิมนต์อาจารย์ทิเบตมาท่านหนึ่งแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะต้อนรับให้ถูกแบบแผนได้อย่างไรก็เห็นว่าอาจารย์ท่านนี้ซึ่งเป็นคนไทยนะเป็นเอเชียด้วยกันก็คงจะดูแลต้อนรับขับสู้เป็นอุปถากให้กับพระทิเบตท่านนี้ได้ดีในช่วงที่พระทิเบตมาท่านก็ได้ดูแล ท่านตัวท่านเองนี่ก็เป็นคริสต์นะแต่ว่าก็มีความประทับใจพระธิเบตท่านนี้มากจริงๆใครที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระทิเบศจํานวนมากก็จะรู้สึกประทับใจเป็นคนที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันผ่อนคลายแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็มีน้ําใจท่านก็ดูแลพระธิเบตนี่อยู่ได้ประมาณ3ามสี่วัน จนกระทั่งวันที่พระธิเบศนะก็จะกลับก็จะกลับคือไปอินเดียนะกลับไปอินเดี ย, นะ อ, ดยอาจารย์ท่านนี้ซึ่งตอนนั้นก็ยังหนุ่มอยู่นะกว่าเสร็จเก็สอบถามว่าท่านวัดของท่านอยู่ที่ไหนในส่วนใดของประเทศอินเดียนะแล้วก็บอกว่าถ้าผมเรียนจบแล้วนะ ก็อยากจะไปอยู่กับท่านสักระยะหนึ่งที่อินเดียท่านก็ถามวัตถุประสงค์อาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าอยากจะไปสแสวงหาความสงบเพราะว่าที่เมืองไทยหรือว่าที่กรุงเทพเนี่ยนะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ก็อยากจะไปสัมผัสกับความสงบนะในวัดของท่าน อาจารย์ที่เบตพระที่เบตท่านนี้ท่านก็พูดดีนะท่านก็ยินดีต้อนรับแต่ท่านก็บอกว่าถ้าคุณเนี่ยไม่สามารถพบความสงบที่กรุงเทพหรือว่าในเมืองไทยได้เนี่ยมาอยู่วัดอัตมา ก, ก็คงจะไม่พบความสงบเหมือนกันคำพูดนี้ก็เรียกว่ากระทบใจอาจารย์ท่านนี้มากนะ เรียกว่าตั้งคำถามกับความคิดของท่านว่าเนี่ยจะไปสแสวงหาความสงบที่อินเดียมันจะเจอหรือตราบใดที่ไม่พบความสงบที่เมืองไทยไม่พบความสงบที่กรุงเทพนะก็ทำให้ท่านได้คิดอยู่นะสุดท้ายพอเรียนจบก็กลับมาเมืองไทยก็ไม่ได้ไปที่อินเดียนะอาจจะเป็นเพราะว่าได้คิดตกนะว่า จริงแล้วเนี่ยความสงบมันก็ไม่ต้องหาที่ไหนไกลตัวน ะ, ะที่บ้านเกิดเมืองนอนกรุงเทพนะมันก็มีความสงบให้เราได้พบได้สัมผัสได้ที่จริงอาจารย์ที่เบสท่านนั้นอาจจะพูดให้ได้คิดได้ว่าด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วความสงบมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลตัวเลยนะมันอยู่ทุกคนทุกแห่งละความสงบอยู่ทุกคนทุกแห่ง ถ้าหากว่าสิ่งที่เราอยู่ทุกวันนี้เรายังพบความสงบไม่ได้แม้ว่าจะไปไกลแค่ไหนก็คงจะไม่เจอความสงบอยู่ทุกที่นี่หมายความว่าอย่างไรนะมันก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสงบเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละถ้าเราพบความสงบที่ใจนยอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่ก็ก็รู้สึกสงบได้อย่างที่พูดไว้เมื่อวานเมื่อเช้านะว่า ความสุขนะที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักนะแต่ว่าจิตใจส่วนลึกสแสวงหาโหยหาก็คือความสงบนะไอ้ความสงบนี่มันอาจจะมีสเสน่ห์น้อยกว่าความสนุกนะอาจจะมีเสน่ห์น้อยกว่าความตื่นเต้นความอร่อยของอาหารความมันของเสียงเพลงหรือความตื่นเต้นจากภาพยนตร์ แต่ว่ามันก็เหมือนกับน้ำหวานนะ่นนะน้ำหวานเนี่ยมันมีเสน่ห์กว่าน้ำจืดหรือน้ำฝนแต่ว่าไม่มีใครหรอกนะที่จะกินน้ำหวานไปได้ทั้งวนนะันใครที่กินน้ำหวานทั้งวันนะจะเป็นน้ำอัดลมจะเป็นน้ำผลไม้ก็แล้วแต่เนี่ยถ้ากินทั้งวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะไม่นานนะก็จะฟันผุ ไม่นานก็จะป่วยเรากินน้ำหวานก็กินได้แค่นิดๆหน่อยๆวันหนึ่งก็คงไม่ไม่กี่แก้วละแต่ที่เราต้องกินทุกวันขาดไม่ได้คือน้ำจืดน้ำประปามันมีสเสน่ห์น้อยกว่าก็จริงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตเราต้องการให้ความสุขที่เกิดจากความสงบก็เหมือนกันนะ มันจะไม่มีสเสนอดึงดูดเท่ากับน้ําหวานนะน้ําอัดลมแต่ว่าไม่มีใครที่จะกินน้ําอัดลมน้ําหวานไปได้ทั้งวันแล้วกินไปได้ทุกวันนะจะกินมากๆนี้ก็โรคภัยธรรมหาความสงบนะเป็นสิ่งที่จิตใจเราต้องการนะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม อันนี้ความสงบมันจะมาจากไหนนะหลายคนนะก็คิดว่าความสงบที่ใจจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสงบจากสิ่งแวดล้อมหลายคนก็เลยเลือกที่จะมาอยู่วัดหรือว่าพยายามที่จะไปแสวงหาสถานที่ที่สงบนะไปรีสอร์ทนะไปพักแรมในป่าหรือว่าไป สถานที่เขาจัดรีทรีตกันอันนั้นก็มีประโยชน์นะแต่ว่าไอ้ความสงบจากสถานที่เนี่ยซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่ากายวิเวกนะกายวิเวกเนะี่ยคือความวิเวกทางกายอันได้แกนะ่ความสงบไม่มีเสียงรบกวนสถานที่ที่สงัดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอยู่นะ ในโอวาทปฏติโมกนะก็จะมีข้อหนึ่งบอกว่าการนอนการนั่ในที่อันสงบนะหนึ่งในหข้อนะของการาบำเพ็ญบาเพ็ญธรรมนะข้อหนึ่งคือว่าการนอนการนิ่งในที่อันสงดอันนี้ก็สาคัญนะแต่ว่าถ้าเราจะรอแต่สถานที่ที่สงบสงัดเพื่อว่าจะให้ใจเราสงบ ตามไปด้วยเนี่ยเราก็หวังพึ่งไม่ได้เพราะว่าสถานที่ที่สงบมันไม่ใช่ว่าจะสงบไปตลอดนะบางทีมันสงบสงบนะก็จริงนะแต่ว่าคนที่อยู่ด้วยเนี่ยทำให้เราขุนเคืองก็มีสถานที่ที่เป็นวัดนะไม่มีเสียงรบกวนนะไม่มีเสียงวิทยุโทรทัศน์แต่ว่าคนที่อยู่ด้วยนี่ ทำตัวให้หน้ารําคาญหรือว่าไม่น่ารักให้คนที่อยู่ด้วยนี่ก็ไม่สงบแล้วนะแต่ว่าเราจะเจอที่ไหนหรือที่มันจะมีทั้งเพียบพร้อมทั้งความสงัดแล้วก็มีคนที่น่ารักเรียบร้อยนะถูกใจเรานะมันยากนะแม้แต่คนรักของเรา พ่อแม่ของเราที่เขามีความรักกับเรามีความรักให้เราหรือแม้กระทั่งคู่ครองเนี่ยเขาก็มีความรักให้เราเต็มที่นะแต่ว่าก็มักจะมีสิ่งที่ขัดอกขัดใจกันพูดจากระทบกระทั่งกันอยู่นะไอ้การ ท, ที่จะอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งกับเรานะไม่มีเสียงดังไม่มีคน พูดจาให้ขัดอกขัดใจหรือว่ามีพฤติกรรมที่กระทกระทั่งเราเลยเนี่ยมันยากมันยังไงก็ต้องมีวันยังคำ่ำมากหรือน้อยนะบ่อยหรือทีฉะนั้นเราจะไปฝากความสงบของเราไว้กับสถานที่นี่มันก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้นะเราต้องรู้จักแสงหาความสงบในใจเราด้วย นะแลาเป็นความสงบที่จะต้องมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือมีสติเพราะสติช่วยรักษาใจนะไม่ให้ว้าวุ่นไม่ให้ร้อนรุ่มคนบางคนเนี่ยเขามีความสงบนะเพราะว่าได้อยู่ในที่ที่สงบหรือว่าที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนบางคนกนะ็ไปทำสมาธิภาวนาในที่ที่สงบนะ มีผู้ชายคนหนึ่งนะแกไปทำสมาธิภาวนานะในสถานที่แห่งหนึ่งนะเป็นพุทธสมาคมนะอยู่ในห้องประชุมทุกคนก็ต่างคนต่างก็นั่งทำความสงบตามลมหายใจเดินจงกรมก็เดินกันด้วยความสงบเพราะว่ามันน่าเดินอยู่แล้วนะเป็นห้องประชุมติดแอร์เสียงรบกวนก็ไม่มี ใจก็สงบนะทั้งวันเลยแต่พอจะกลับบ้านเดินลงมาจากห้องประชุมมาที่รถรบอกว่ารถของตัวเองนี่มันมีรถรถอีกคันหนึ่งจอดซ้อนทำให้ออกไม่ได้แ อ, อารมณ์เสียเลยนะความโกรดนี่พุ่งขึ้นมาเลยไม่ได้โกรไม่ได้โกรธปาปานะพูดด่าด้วยนะพูดด่าคนที่มาจอดรถ หาว่าไม่มีมารยาทเนี่ยเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งสงบอยู่ดีๆเลยนะเมื่อกี้เหมือนกับว่าขึ้นสวรรค์นะเพราะว่าใจสงบมากนะอยู่ในห้องแอร์แต่พอลงมาเจอสิ่งที่มากระทบใจไม่ถูกใจคือออกรถไม่ได้นะความโกรดนี่พุ่งขึ้นมาทันทีลืมตัวนะด่าคนที่มาจอดรถ คนที่เห็นเหตุการณ์นี้เขาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมนะทำสมาธิแต่ทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นการที่ใจจะสงบนะแต่ปรากฏว่ามีอารมณ์ร้อนแรงนะเพียงแค่คนจอดรถซ้อนไม่ให้ตัวเองเนี่ยขับออกไปได้แค่นั้นเองอันนี้เป็นเพราะอะไรนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาเอาความสงบไปผูกติดไว้กับสถานที่นะ หรือว่าไปไปผูกติดพึ่งพิงอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันต้องโอเคเลิศเลอเพอร์เฟคนะ์นะนะพอเพียงแค่มีคนจอดรถซ้อนคันเพียงแค่มีคนนะทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไอการจอดรถซ้อนนี่มันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าว่าเรามีสติ เราก็จะรู้ทันอารมณ์ที่มันกระเพื่อมขึ้นมารู้ทันใจที่กระเพื่อมก็จะสามารถระงับยับยั้งนะถึงแม้โกรธก็ไม่ถึงกับหลุดปากด่านะออกไปหรือว่าถ้ามีสติไวกันนั้นมันก็เห็นความโกรธที่จริงถ้ามีสติดีเนี่ยมันจะไม่ทันโกรธเลยนะมันแค่ขุนเคืองแค่ไม่พอใจเกิดขึ้นมันก็รู้ทันแล้วพอรู้ทันเนี่ยนะ ไอความคุนเคืองนันก็จะสงบลงไปมันจะไม่ลุกลามกลายเป็นความโกรธหรือว่าลุกลามต่อไปจกนกระทั่งห้ามใจไม่อยู่ต้องพูดออกไปด่าวออไปแล้วคนเรานี่ถ้าหากว่าเราจะหวังให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวนี่มันโอเคแล้วเราถึงจะสงบได้อันนี้เนี่ยก็จะยากนะแต่เราต้องรู้จักนะทำใจให้สงบนะ ด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นอย่างไรนะเราก็สามารถจะรักษาใจาสงบได้นะซึ่งนะสิ่งสำคัญก็คือการมีสตินะมีสติรู้ทันสติที่เรามีเนี่ยมันก็พอพอที่จะทำให้เราใช้ชีวิตตามปกติได้นะคือไม่ถึงกับให้เราไม่ถึงกับทให้เราบ้า คนที่ไม่มีสติเนี่ยนะก็ได้แก่คนบ้าหรือว่าเป็นคนที่สลบหลับไหลนะที่เรายังมานั่งฟังนะอัตมาบรรยายมาสวดมนต์ทำวัดได้แล้วก็อยู่ในความสงบได้นี่ก็แสดงว่าเราก็มีสติครองใจพอสมควรนะไม่งั้นนี่ก็อาจจะเผลอพูดคุยกันนะเพราะว่าอยากพูดอยากคุย ความอยากก็มีแต่ละมีสติรู้ทันแล้วก็สะกดกัน้นหรือระงับยับยั้งไว้ได้อันนี้ก็มีขันติคู่ไปด้วยนะมีทั้งขันติและสติแต่ว่าถ้าเกิดมันมีเสียงคนนะเดินกระแทกเท้านะลงจากศาลาหรือว่ามีเสียงบางคนบางคนะตะโกนขึ้นมาด่าว่าคนที่อยู่ข้างๆ หรือว่าเกิดมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาหลายคนก็จะไม่พอใจทันทีเลยไอ้ความไม่พอใจเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะก็เพราะว่าไม่มีสตินั่นเองบางทีเป็นพอใจเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับเสียงที่เขาพูดหรือว่าเกิดความไม่พอใจในอากัปกิริยากระทึบเท้าของเขาทำอย่างนี้ได้ไงไม่มีมารยาทเนี่ยคิดในใจพอคิดในใจแค่เนียไม่รู้ทันความคิดเนี่ย มันก็จะเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจอันนี้ก็เรียกว่าใจไม่สงบแล้วใจไม่สงบเพราะว่ามีความโกรธนะเผาหล่นใจแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติมากกว่านี้นะเราก็จะรู้ทันความโกรธนั้นได้ไวแล้วก็ปล่อยวางมันลงได้นะไอ้ที่เรายังโกรธ เป็นว่าเป็นเวนหรือว่ากโกรธต่อเนื่องเนี่ยบางทีโกรธเป็นวันโกรธเป็นคืนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ตัวนะพอไม่รู้ตัวก็ไปยึดมั่นถือมั่นกับความโกรธนั้นหรือว่าไปหลงคิดถึงสิ่งต่างๆที่ทําให้เราโกรธถึงคนที่ทําให้เราไม่พอใจใจไปคิดถึงสิ่งนั้นเนี่ยแล้วก็ลืมตัวไม่รู้ตัวมันก็คิดแล้วคิดเราคิดแล้วคิดเล่านะมันก็ยิ่งเท่ากับเป็นการซ้ําเติมจิตใจตัวเองทําให้ขุ่นมัว บางทีเหมือนกับว่าจุดไฟเผาใจตัวเองหรือว่ากรีดเอาของแหลมกรีดใจตัวเองนะมันก็ยิ่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าไม่สงบนะความไม่สงบนะถ้าเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันก็เพราะว่ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นนะมีความฟุ้งซ่านมีความขุนเคืองอาจจรวมถึงความกลัวความเศร้า แล้วก็ความเบื่อไอ้พวกนี้เนี่ยรวมๆกันก็ทําให้ใจไม่สงบนะแต่ปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเพราะวาความคิดความคิดมันมันเกิดขึ้นในใจว้าวุ่นไปหมดเหมือนก็มีเสียงดังอยู่ในใจเรามันมีเสียงทะเลาะ ก, กันอยู่ในใจเรามันมีเสียงต่อว่าอยู่ในใจเราไอ้ความคิดที่มันผุดโผล่ขึ้นมา จนกระทั่งควบคุมไม่ได้นี่ก็ทำให้เกิดอารมณ์นะโกรธเศร้าเสียใจไม่พอใจนะกลัวอันนี้ก็รุเรียวหลงลวงไม่สงบนะถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเกิดขึ้นที่ใจเราแท้ๆบางทีรอบตัวเราสงบนะไม่มีเสียงรบกวนไม่มีใครมาทำอะไรให้เราไม่พอใจแต่ว่าไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะ ก็เกิดไม่พอใจหรือไปนึกถึงเรื่องอนาคตเกิดความกังวลขึ้นมาเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรตอนนี้นะขายของก็ได้น้อยลงและต่อไปอาจจะขายของได้น้อยลงเมื่อวานนี้ก็มีพนักงานเซลล์นะขายไอติมยี่ห้อหนึ่งก็มามาหาแล้วก็เล่าเรื่องหนึเศรษฐกิจนะว่าตอนนี้นี่ไอติมก็ขายได้น้อยลงนะ ที่ชัยภูมินี่ขายได้เดือนละ 2-3 สล้า น, นแต่ว่าปีเดือนหน้าอีก 3-4 สเดือนข้หน้าอาจจะน้อยลงกันนั้ น, นหลายคนพอคิดแค่นี้ก็เกิดความทุกข์เกิดความกังวลแล้วถ้าเป็นเซลเเล์ถ้าเป็นเจ้าของบริษัทนะถ้าเป็นเอเจนต์นี่นจิตใจรุ่มร้อนแล้วขายติมนะขายติมให้ความสงบเย็นแก่นคนแต่ว่าใจรุ่มร้อนเพราะว่าไป น, นึกถึงเศรษฐกิจข้างหน้าที่ นอกจากมันจะไม่แน่นอนแล้วมันถ้าทีท่ า, า, า, ามันจะย่ําแย่ลงอันนี้ก็เรื่องทุกข์เพราะไปคิดถึงอนาคตนะอัตมาก็พูดเข้าไปนะอันนี้ก็พูดแทรกไปหน่อยก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมะก็มุ่งจะดับทุกข์ให้เข้าถึงนิพพานก็บอกเข้าไปว่าไอ้ความความทุกข์แค่นี้นี่มันยังเล็กนะถ้าทุกข์แค่นี้นี่ยังผ่านมันไปไม่ได้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงการทํากองทุกข์ให้สิ้น จนถึงพระ น, นิพพานนะเพราะว่ากองทุกที่รอที่ขวางเราอยู่ที่ขวางเราไม่ให้นิพพานนี่มันใหญ่กว่าให้ความทุกในความทุกในสํานักงานหรือความทุกที่กําลังเกิดขึ้นจากอาชีพการงานด้วยซ้ำนะพอพูดเขาก็ได้คิดขึ้นม า, าเออให้ความทุกที่เราเจอนี่มันยังเล็กอยู่นะเมื่อเทียบกับกองทุกอีกมากมายมหืมาที่ขวางทางนิพพานนะถ้าแค่นี้ยังไม่ผ่านแล้วจะไป การไอกองทุกจนกระทั่งทําความดับสิ้นให้มันเกิดขึ้นให้เข้าถึงนิพพานได้อย่างไรอันนี้เขาก็ทําให้เขาเออทำใจได้ก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดวันที่ความสงบเกิดขึ้นได้นี่จากการที่เรามีสติแล้วก็รู้จักคิดนะรู้จักวางใจให้อยู่กับปัจจุบันการรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ความรู้สึกนี่สาคัญนะ เราเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกนะไอการเจริญสตินี่แหละนะที่จะทำให้เราได้ได้รู้ทันความคิดสติมันช่วยมันเป็นคือตาในที่ทำให้เรามองเห็นอารมณ์ความสุขที่เกิดขึ้นนะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะที่ฝึกได้นะเด็กก็ฝึกได้นะอาจารย์ประสง่งปริปุโนโนเนี่ยได้เล่าว่าเคยไปบรรยายที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งบรรยายเสร็จก็ ขณะที่รอรถก็สนทนากับเด็กหญิงอายุแค่8ดขวบอันเด็กคนนี้ก็ฉลาดนะชัพูจาฉะฉานพอพูดจบสนทนาเสร็จนะอาจารย์ประสงค์ก็บอกว่าเนี่ยหนูเป็นเด็กดีเด็กฉลาดนะหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูแต่แล้วท่านก็หยิบลูกประคำขึ้นมาจากย่ามเด็กพอเห็นลูกประคำเด็กก็ร้องอูู้อาจารย์ประสงค์ก็เลยถามว่า หนูร้องอู้ฮูเนี่ยหนูเห็นอะไรเด็กแทนที่จะตอบว่าหนูเห็นรูปรคำนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมาดีใจค่ะนะและน่าสังเกต น, นะเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมาดีใจอันนี้นับว่าการที่เห็นแบบนี้ได้คือต้องมีสติคือมีตาในคนธรรมดาแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าดีใจหนูดีใจผมดีใจแต่เด็กคนนี้บอกหนูเห็นข้างในมาดีใจ อันนี้แหละที่หลวงพ่อกำเขียนเรียกว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นอย่าเข้าไปเป็นนะคือเห็นมันดีใจแต่ว่าไม่เป็นผู้ดีใจมันต่างกันนั่นระหว่างเห็นเห็นความดีใจกับเห็นแล้วก็เป็นผู้ดีใจเด็กคนนี้ไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจอาจารย์ประสงค์ก็เลยถามต่อไปว่าแล้วหนูทำอะไรกับมันเด็กก็ตอบว่าหนูไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยค่ะหนูก็แค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ความดีใจมัน ตอนนี้ข้างในมันเบาลงแล้วความดีใจมันลดลงแล้วอันเด็กก็ไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจน้อยลงนะแต่เด็กบอกว่าข้างในมันมันเบาลงความดีใจมันน้อยลงอันนี้แหละก็คือตัวอย่างที่ที่ตัวอย่างของคำว่ารู้สื่ อ, อนะหลวงพ่อคาเขียนหลวงพ่อเทียนท่านจะพูดอยู่เสมอรู้สื่อ หลายคนก็สงสัยว่ารู้ซื่อคืออะไรรู้ซื่อคือรู้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรกับมันคือรู้หรือเห็นความดีใจแต่ไม่ได้ทําอะไรกับมันก็แค่ดูมันเฉยๆแล้วธรรมชาติของอารมณ์และความคิดเนี่ยพอดูมันเฉยๆนี่นะมันก็จะสงบบูบลงไปนะไม่ต้องทำอะไรกับมันหรอกนะไม่ใช่เฉพาะความดีใจความเสียใจความโกรธความเศร้าก็เหมือนกันนะเราไม่ต้องทําอะไรกับมันแค่ดูมันคือว่าเห็นมัน หรือว่าดูเฉยๆรู้สื่อๆเนี่ยมันก็จะสงบบูบลงไปแต่จะทํางั้นได้เนี่ยต้องเห็นนะไม่เข้าไปเป็นนะถ้าเราถ้าเราเข้าไปเป็นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไม่ใช่รู้สื่อแล้วอันเนี้ยเด็กเนี่ยนะเขาทําได้นะเขาสามารถที่จะทําได้บางทีทําได้ดีกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จเจริญสติเป็นอาทิตย์นี่ก็ยังไม่รู้เลยว่ายังไงไม่บอกเลยว่าเห็นกับเห็นกับเป็นนี่มันแตกต่างยังไง เวลาหลวงพ่อบอกว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็ น, นทำยังไงก็ไม่รู้ปเป็นอยู่เรื่อยเลยนะคิดมีความคิดอะไรขึ้นมาก็เข้าไปเป็นผู้คิดนะแทนที่จะเห็นความคิดแล้วทาไมเห็นความคิดแล้วนี่จะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นดยเพราะอารมณ์ที่เป็นฝ่ายลบนี่ก็ยากแต่เด็กนี่เรียนได้ฝึกได้นะเขาฉลาดนในการที่จะกลับมามองตนเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่านะลูกลูกชายเขาอายุแค่4 5หขวบลูกชายก็เป็นคนฉลาดชื่อประวาลปกติเวลาแม่ว่าประวาลเนี่ยแม่ต่อว่าประวาลประวาลก็จะเถียงแล้วก็เป็นเด็กที่เถียงได้กเก่งเพราะเด็กฉลาดแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยแม่ก็ว่าประวานประวาลไม่เถียงประวานเงียบเสร็จ แ, แล้วก็เดินออกไป แม่แปลกใจก็เลยเดินตามปาวานไปถามว่าปาวานไปไหนปาวานบอกผมจะไปสงบสติอารมณ์ครับนะการที่ปาวานพูดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ารู้ว่าข้างในใจเนี่ยมันร้อนนะบางคนเนี่ยเวลาเกิดความร้อนความไม่พอใจขึ้นมาไม่รู้ตัวนะก็ยังเถียงก็ยังว่าก็ยังะทะเลา ะ, ะหรือว่าต่อว่าคนอื่น เพราะว่าไม่รู้ตัวว่าความโกรธนี่มันกําลังผลักไสใจให้ด่าให้ว่าแต่ปาวานนี่เขาเห็นเขารู้ว่าใจกําลังร้อนแล้วเขาไม่ได้รู้ว่าใจร้อนฉะนั้นเขายัางรู้ต่อไปว่าถ้าจะดับความร้อนเนี่ยมันต้องมาดับที่ตัวเองไม่ต้องมาดับต้องมาจัดการที่ใจของตัวเองเปาวานก็เลยจะเดินชิ่งออกไปนะเพื่อจะไปสงบสติอารมณ์คนที่ จะทำงี้ได้หรือพูดงี้ได้ต้องนะต้องมีสติเห็นใจของตัวนะว่าใจตอนนี้กําลังร้อนใจนี้กําลังทุกข์แล้วก็ยังเห็นด้วยว่าไอ้ความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันไม่มีใครทําให้ได้มันต้องเราต้องทําเองนะแต่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยนะมันจะไปโทษคนนั้นคนนีนะ้ความโกรธความไม่พอใจมันจะผลักสายให้เราเนี่ยไปว่าไปหรือบางทีก็ถึงขั้นทําร้ายเข้าของ ผู้ใหญ่ในจำนวนมากเนี่ยไม่เห็นนะไม่เห็นความกลัวของตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังรุ่มร้อนไม่สงบและยิงไปโทษนะคนโน้นคนนี้นะก็ยิ่งแยกเข้าไปใหญ่ก็ทำให้เกิดการทะเลาะบอาแวงพัวพันซึ่งเท่ากับซ้ำเติมความว้าวุ่นความวุ่นวายความไม่สงบให้รุนแรงมากขึ้นนะเด็กนี่เขาสามารถที่จะฝึกได้ถ้าหากว่าเราสอนดีนะ สอนเขาตั้งแต่เล็กนี่เขาก็จะเขาก็จะเห็นอารมณ์ของตัวแล้วเขาก็จะเห็นความสําคัญของการจัดการกับอารมณ์ของตัวและบางทีก็ยังเห็นต่อไปว่าถ้าเราจัดการกับอารมณ์ของตัวได้เนี่ยมันก็จะช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างซึ่งบางทีก็ จ, จะไม่เกี่ยวเรื่องความทุกข์ใจเลยน้องไอเนี่ยน้องไอเนี่ยอายุ3ามสขวบวันนึงก็ดีใจนะวิ่งเล่นนะแต่ว่าเพลินไปหน่อยนะวิ่งไปชนประตูกระจกนะ ประตูเป็นกระจกนะเด็กไม่เห็นนะ่ะนึกว่าประตูมันเปิดอยู่วิ่งเข้าไปจะออกจากบ้านก็ไปชนประตูเต็มแรงเสียงดังตูมน้องไอก็ร้องแม่อยู่ในครัวก็ได้ยินเสียงร้องของลูกก็รีบวิ่งเข้ามาจะกอดลูกจะมาปอบลูกเนะ่ะน้องไอน้นี่บอกว่ายกมือห้ามบอกแม่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวน้องไอนั่งสมาธินะ ตอนนั้นไอ้กําลังนั่งสมาธิอยู่นะแล้วก็ยกมือห้ามว่าแม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมากอดนะเดี๋ยวนั่งสมาธิก็จะหายอันเด็กเขารู้นะว่าถ้าใจสงบใจเป็นสมาธิแล้วเนี่ยให้ความปวดมันก็จะทุเลาลงนะอันนี้เป็นความจริงที่เรานะทดลองดูได้นะเวลาเราปวดนะปวดกายเนี่ยหรือแม้แต่เมื่อยเวลาทําใจเป็นสมาธิเนี่ยความปวดมันจะทุเลา ที่มันทุกเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพอเราทําสมาธิแล้วใจมันก็ไม่ปวดมันก็ปวดแต่กายปกติเวลาเราปวดเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ปวดกายนะใจก็ปวดด้วยคือใจมันเกิดโทสะขึ้นมาใจมันเกิดความไม่พอใจนะมันมีการต่อต้านมีมีการผักสายความปวดเรียกว่าปวดใจแต่พอเราทําสมาธิเนี่ยหรือพอเด็กทําสมาธินี่ใจมันสงบความปวดใจหายมันก็เลยแต่ความปวดกาย แล้วความปวดใจบางทีมันเป็น2เท่าความปวดกายนะพอความปวดใจหายนก็ความความปวดความทุกข์ก็เหลือแค่หนึ่งในสเผลอถ้าสมาธิดีๆนี่มันก็จะมีสามบางตัวหลั่งออกมาแนละ้วทำให้ความปวดกายทุเลาด้วยอันนี้คนที่คนที่เป็นมะเร็งแล้วก็ทําสมาธิปรากฏว่าความปวดนี่ทุเลาไปเยอะเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ยาหรืงับปวดเลยก็ได้ที่เคยใช้โมฟีน นะทุกสามชั่วโมงเรียกร้องขอเอาทุก2ชั่วโมงขอทุกชั่วโมงเลยพอทําสมาธิปุ๊บนี่มอฟรีเนี่ยต้องการน้อยมากนะบางทีทั้งวันก็แค่2ครั้งก็พอแทนที่จะเป็น8ครั้งต่อวันหรือต้องการนะทุกชั่วโมงเนะี่ยเพราะว่าเขาพบว่าเนี่ยมันพอทําสมาธิแล้วมันก็ไปส่งผลต่อสมองที่ทําให้สาร บ, บางตัวหลั่งออกมาช่วยระงับปวดได้ อันนี้เด็กก็รู้นะว่าถ้านั่งสมาธิแล้วในความปวดความปวดกายหรือปวดหัวนี่ก็จะทุเลาลงแล้วน่าสนใจเนี่ยคือเด็กเนี่ยแทนที่จะโกรธโกรธกระจกนะปกติเวลาเด็กวิ่งชนกระจกเนี่ยแบบปวดขึ้นมาเนี่ยจะโทษกระจกจะด่ากระจกนีบางทีพ่อแม่ก็สอนนะให้ไปโทษกระจกด้วยเช่นไปตีกระจกเนี่ยตีกระจกแล้วคิดว่าเด็กจะหายหายโกรธมันก็หายจริงๆนะ แต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ดีหรือบางทีเด็กไปไปเดินแล้วหกล้มเพราะไปไปชนเอาโต๊ะนะเด็กร้องไห้เพราะว่าตัวกระแทกพื้นแม่ก็อยากจะให้เด็กหยุดร้องก็ไปตีโต๊ะนะบอกว่าเนี่ยลงโทษโต๊ะแล้วทำโทษโต๊ะแล้วนะอย่าร้องอย่าร้องบางทีถ้าเราสอนให้เด็กเออเห็นว่าเออเห็นว่าตอนนี้ใจเป็นยังไงมันปวดไหมปวดที่ไหนนะสอนแบบนี้อา จ, จะดีกว่า สอนให้เด็กเขาได้เห็นความปวดสอนให้เขารู้ว่าตอนนี้ใจเป็นอย่างไรกายเป็นอย่างไรนั้นเด็กสอนได้นะพอเราสอนให้เด็กนี่เขาเห็นความเห็นอารมณ์ความรู้สึกหรือเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายและใจเนี่ยเขาก็จะรู้วิธีนะเขาก็จะมีสติรู้ทันเวลามีสติเวลามีความปวดเกิดขึ้นเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นจะเขาก็จะกลับมาดูใจนะเห็นว่า ความโกรธกำลังเกิดขึ้นหรือว่าความไม่พอใจเกิดขึ้นแค่เห็นมันเฉยๆเนี่ยมันก็จะทุเราไปได้แล้วยิ่งถ้าเห็นไวเท่าไหร่มันก็จะทุเราหรือว่าวูบลงเร็วเท่านั้นนะเป็นธรรมชาติของใจในทางตรงข้ามยิ่งผักใส่มันก็ยิ่งยิ่งอยู่นานเวลาเรามีความโกรธ ถ, ถ้าเราไปกดขม่มความโกรธนี่ความโกรธมันยิ่งมันยิ่ง มันยิ่งดื้อนะแรงกดเท่ากับแรงสะท้อนนี่วิทยาศาสตร์บอกเราไว้แรงกดเท่ากับแรงสะท้อนกดเท่าไหร่มันก็ยิ่งสะท้อนกลับมามากเท่านั้นอันนี้ไม่ได้ใช้กับวัตถุอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้กับวัาสดุอ่างเดียวมันใช้กับอารมณ์ด้วยนะยิ่งไปดกดมันมันก็ยิ่งสะท้อนยิ่งยิ่งต่อต้านยิ่งกดความกดมันก็ยิ่งโผล่เคยมีคนถามลูกปู่ดูลนะลูกปูดด่ดูตุโลนะซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกแรกๆของลูกปู่มั่น ท่นมรณภาพาไปได้สามสิบปีแล้วหลวงปู่ทําไงตัดความกรธให้ขาดหลวงปู่บอกว่าไม่มีใครตัดความกดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันพอรู้ทันมันมันก็จะดับไปแล้วความรู้ทันรู้ทันพ่ออะรรู้ทันพ่อมีสตินั้นไมีสตินี่มันช่วยทําให้ใจในสงบได้แม้ว่าจะมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้ว่าจะเจออะไรที่ ชวนให้ไม่ถูกใจชวนให้ไม่พอใจแต่มันก็ได้แค่ชวนมันไม่สามารถบังคับเราได้มันชวนแล้วเราไม่รับคําชวนมันนะเพราะเรามีสติแต่ถ้าไม่มีสติก็ไปรับคําชวนพอไปรับคําชวนก็เกิดอะไรขึ้นนะก็ไม่พอใจเกิด ค, ความทุกข์ใจเกิด ค, ความกลัวขึ้นมาเวลาคนเขาด่าว่าเราเนี่ยคาด่าว่าเขาเนี่ยมันมันเป็นแค่คําชวนให้เราไม่พอใจนะเวลามีคนทําอะไรไม่ถูกใจเนี่ย สิ่งที่เขาทำเนี่ยก็เพียงแค่ชวนให้เราโกรธแต่คําชวนเนี่ยมันก็คือว่าอ ย, อยู่ที่ว่าเราจะรับหรือว่าถ้าเรารับคําชวนเราก็โกรธเราก็ไม่พอใจแต่ถ้าเราไม่รับคําชวนมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ถ้าเราหันหันมันมาดูใจเราจะเห็นนะว่าที่จริงแล้วที่เราทุกข์ที่เราโกรธเนี่ยเป็นเพราะใจเราเนี่ยไปรับคําชวนของเขาเนะี่ยบางทีจะไปโทษเขาไม่ได้นะ ไปโทษเข้าฝ่ายเดือไม่ได้ต้องโทษเราด้วยว่าเราไปรับคําชวนทําไมนะเราไปรับคําเชิญทําไมนะเขาไม่ได้บงังคับให้เราโกรธแต่เป็นเพราะเราไปรับคําเชิญคําชวนเราก็เลยโกรธเราก็เลยทุกข์เองถ้า ม, มีไม่มีสติมองไม่เห็นนะและพ่อมองไม่เห็นก็เลยทุกข์มันก็เลยร้อนรุ่มมันก็เลยว้าวุ่ น, นก็เลยกลุ้มใจแม้ว่าอยู่ในที่ที่สงบสงัดก็ยังรู้สึกว่าหาความสงบไม่ได้ แต่ถ้าเรามีสติเรารู้ทันนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาอยู่ในที่ที่วุ่นวายหรือกระทึกขึ้นโครงก็ยังสงบได้นะให้เรารู้จักความสงบชนิดนี้แล้วเราจะไดะ้เป็นสุขได้ทุกที่นะอ่ะละคำนี้ก็พูดกัเท่านี้กลับพาพร้อมกัน